Music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 ใกล้ทางหลังหนึ่งยกมือขึ้นควายควา้าเรียกบุตรและภริยาขอน้ำดื่มแล้วค่อยๆพูดด้วยความเหนื่อยอ่อนต่อไปว่าหิวเลอเกินเมื่อไรเข้าจะสุก ข, ขอข้าวยาโคดื่มก็ได้หญิงชราพร้อมด้วยบุตริดาซึ่งมีผ้านุ่งห่มมีรอยปากและขาดมองหน้ากันแล้วก็ร้องไห้แต่ไม่กล้าให้มีเสียงดังด้วยเกรงว่าคนเจ็บจะได้ยิน บุตรชายรีประคองศีรษะคนเจ็บให้ได้ดื่มน้ำในภาชนะดินเผาซึ่งวางอยู่ข้างๆทุกคนรู้ดีว่าอาหารมื้อสุดท้ายเมื่อเย็นวันนี้เป็นมื้อสุดท้ายจริงๆสำหรับครอบครัวอันยากจนของเขาเป็นข้าวสารที่ข อ, อยืมมาจากเพื่อนบ้านที่รู้จักกันเป็นครั้งที่สามและคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าไม่มีใครใจแข็ง พอที่จะไปยืมอีกเป็นครั้งที่สและไม่มีหวังเลยว่าจะได้ที่ไหนมาใช้คืนการที่เปลี่ยนหน้ากันไปยืมเขาถึงสามครั้งและเพื่อนบ้านผู้อารียังกรุณาให้มาก็นับว่าเป็นพระคุณล้นเหลือแล้วหัวหน้าครอบครัวกําลังป่วยหนักอาหารมื้อเช้าก็ยังไม่มีจะรับประทานทั้งทั้งที่ทุกคนรวมทั้งชายชราผู้กําลังป่วยหิวอยู่อย่างน่าสงสาร ความกระวนกระวายและหิวโหวยได้เพิ่มขึ้นตามความแรงร้อนของดวงอาทิตย์ซึ่งโคจรสูงขึ้นทุกทีจากขอบฟ้าเบื้องตะวันออกเป็นเวลาสายมากแล้วสายจนเกือบจะถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วแต่คนทั้งสี่ก็ยังไม่ได้รับประทานอาหารความยากจนได้แสดงตัวของมันให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเมื่อเกิดขึ้นแจกใครหรือครอบครัวใดแล้วก็ชอบ ที่จะรับความทุกข์ทรมานของคนนั้นหรือคนเหล่านั้นจนถึงที่สุดเสียงฝีเท้ามาดังใกล้เข้ามาแล้วก็หยุดที่หน้าบ้านนั้นมีชายผู้หนึ่งหน้าตาคมสันโภกผ้าเกือบปิดหน้าผากมิดลงมาจากมาแล้วพร้อมด้วยชายหนุ่มอื่นอีกสามคนเดินเข้ามาในบ้าน เสียงคนเจ็บอ้อนวอนขออาหารและบุตรปริยากำลังจับมือแล้วพูดปลอบใจด้วยประการต่างๆชายผู้นั้นมองตรวจดูทั่วบริเวณกระทอมด้วยความสนใจและเรียกบุตรชายรุ่นของายชราออกไปกระซิบถามข้างนอกเมื่อได้ทราบความก็หันไปสั่งคนที่ตามมาให้นำสเสบียงอาหารจากหลังม้ามามอบให้และสั่งให้ทำต้มเป็นอาหารอ่อนให้รับประทาน พร้อมทั้งสั่งว่าพรุ่งนี้จะนำอาหารมาให้อีกคนในบ้านนั้นงุนงงต่อเหตุการณ์ซึ่งมีได้นึกฝันอันเกิดขึ้นเช่นนี้จนลืมแม้กระทั่งจะกล่าวคำขอบใจต่ออาคันตุกะประหลาดผู้มาช่วยชีวิตหัวหน้าครอบครัวรวมทั้งบุตรภรยาผู้อดอยากโดยบอกกล่าวว่าตนคือใครและรุ่นขึ้นที่ว่าจะนาอาหารมาให้อีกก็เป็นเรื่องแปลกที่หาได้ปรากฏตัวผู้ใด นำอาหารมาให้หม้กลายเป็นว่าพอรุ่งเช้าก็มีกระสอบข้าวสาลีพร้อมทางอาหารแห้งหลากหลายอย่างมาวางกองอยู่หน้าประตูบ้านโดยไม่มีใครรู้ว่ามาวางกองอยู่แต่เมื่อไรภริยาของชายชรายกมือขึ้นพนมเหนือเสียงกล้าวน้ําตาคลอแต่ก็ไม่ได้เ อ, อ่ยวาจาอะไรออกมานางดีใจจนพูดไม่ออกเพรา ะ, สะเสบียงอาหารนี้จะเลี้ยงครอบครัวไปได้อีกนานวัน ทั้งทั้งที่จะได้นำไปใช้หนี้เพื่อนบ้านผู้อารีแล้วครบถ้วนชายชราผู้เจ็บป่วยเพราะขาดอาหารก็ค่อยชุดเหล่าขึ้นและเต็มตื้นไปได้วยความรู้สึกกระตันญูในน้ำใจของชายแปลกหน้าครอบครัวนั้นรุ่นคิดถึงบุญคุณของผู้ช่วยเหลือในยามวิบัติอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้ทราบว่าเขาเป็นใครและอยู่ที่ไหน อีกสามสี่วันต่อมาก็มีคนเลี้ยงมา้าคนหนึ่งมาตามบุตรของชายชราให้ไปช่วยคนเลี้ยงมา้าซึ่งมีอยู่มากมายและเมื่อทํางานเต็มวันแล้วก็ยังมอบเสื้อผ้าอาหารให้นํามาแจากคนที่บ้านอีกด้วยแม้ชายหนุ่มจะพยายามซักถามว่าใครให้มาตามไปเลี้ยงมา้าใครเป็นผู้สั่งให้อาหารและเสื้อผ้าก็ไม่ได้รับคําชี้แจงใดๆนอกจากคําตอบเพียงสั้นๆว่า ประชาชนในอโยธยามหานครจะต้องไม่มีใครอดตายทุกคนที่ไม่ประมาทและเกียจคร้านเกินไปก็จะเป็นอยู่ได้ด้วยความผาสุกตามสภาพชายหนุ่มได้พยายามสืบถามคนเลี้ยงม้าอื่นๆก็ได้ความว่ามีบุคคลกลุ่มหนึ่งเที่ยวสืบดูความทุกข์ยากของคนทั้งหลายเมื่อทราบว่าใครตกทุกไดยากก็จะช่วยเหลืออย่างดียิ่งแต่ไม่ยอมบอกว่าตนเป็นใคร และผู้ตกทุกข์ได้ยากเหล่านั้นถ้าสามารถประกอบอาชีพใดๆไ ด, ได้ก็จะมีผู้ตามไปประกอบอาชีพและได้รับแจกอาหารเครื่องนุ่งห่มเป็นอันดีเมื่อพากันซักถามหนักเข้าก็จะได้ทราบคําตอบอย่างลึกลับเพียงว่าในอยุธยามหาคนครนี้จะต้องไม่มีใครอดตายคําตอบนี้ดูประหนึ่งว่าผู้ตอบเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนเพราะตนเองก็ได้ยินมาจากคนที่ตอบทําถองนี้มาอีกต่อนหนึ่ง และในที่สุดความกระกระจ่างขึ้นเพียงว่าใครจะเป็นคนต้นคิดไม่สำคัญข้อสำคัญให้ทุกคนสามารถพึ่งตนเองได้ก็พอแล้วในอีกไม่กี่วันต่อมาน้องหญิงของชายหนุ่ม ก็มีสตรีผู้หนึ่งมาตามตัวไปทำงานปั่นฝ้ายกรอได้ทอผ้าได้รับค่าจ้างตามสมควรทุกคนมีอาชีพพ้นจากความวิบัติแม้จะไม่รู้ว่ากลุ่มคนที่สนใจในความทุกข์ยากของผู้อื่นช่วยเหลือให้รับความผาสุขขึ้นไปโดยทั่วไปเป็นใครก็ตามต่างก็พอใจว่าการช่วยเหลือเช่นนี้เป็นการทาให้ตนเกิดความพอใจที่เพิ่งเรียวแรงของตนเองได้ที่ดินว่างเปล่า การเป็นสวนเป็นไร่เพิ่มขึ้นการค้าขายแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างสะดวกดีกลุ่มคนที่เที่ยวค้นหาผู้ตกทุกข์ได้ยากยังคงทํางานกันอย่างกว้างขวางเพื่อไม่ให้มีใครชื่อว่าจะต้องอดตายในอายุธยามหานครนี้กลับได้มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งจะมีอํานาจหรืออย่างไรก็ไม่ปรากฏได้เข้าไปในภายในเรือนจําเที่ยวไตรถามเรื่องราวของนักโทษเพื่อรู้ว่า ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรโซ่ล่ามมือล่ามเท้าใหญ่เกินไปนักอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เล็กลงมาหรือพอจะไม่ต้องล่ามโซ่ได้ก็งดเว้นกลุ่มคนเหล่านี้เข้าคุกคลีเป็นกันเองกับนักโทษและรับติดต่อให้ญาติพี่น้องได้ทราบข่าวกราวถ้าใกล้กำหนดจะพ้นโทษก็ช่วยคิดให้ว่าเมื่อพ้นโทษแล้วจะไปอยู่ที่ไหนจะประกอบอาชีพอะไร เพื่อไม่ให้นักโทษที่พ้นจากการจองจําแล้วกลายเป็นคนสิ้นคิดหรือมีความมุมานะที่จะกระทําความผิดชั่วต่อไปอีกโดยวิธีนี้นักโทษทั้งหลายก็เกิดความอุ่นใจว่าคนที่ยังมองดูตนด้วยอาการไม่ดูหมิ่นเหยียดยามยังเห็นใจและปรารถนาดีก็มีอยู่คนกลุ่มเหล่านั้นจะขอร้องเพียงให้นักโทษทั้งหลายได้พยายามกลับใจเป็นคนดีตั้งใจงดเว้นการกระทําที่ไม่ดีไม่ถูกต้องต่อไป เมื่อมีแจใจจะเป็นคนดีก็ปรากฏความเรียบร้อยของนักโทษทั้งหลายมีมากขึ้นอย่างผิดสังเกตผู้ที่ผลโทษก็ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องสเบียงอาหารหรือแม้ทุนทรัพย์เพื่อประกอบอาชีพสุจริตต่อไปไม่มีใครถูกทอดทิ้งให้กลายเป็นจนผู้ร้ายไปดั่งแต่ก่อนได้มีการชี้แจงให้นักโทษทั้งหลายไม่นึกดูหมิ่นเยดยามตนว่าทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครเลย ที่จะไม่เคยกระทำความผิดพลาดแต่ข้อที่สําคัญยิ่งก็คือเมื่อผิดพลาดแล้วก็ไม่ควรจะกลับทําความผิดพลาดซ้ําอีกควรจะได้แก้ไขให้ดีเหมือนถ้วยชามภาชนะที่อาจจะเปื้อนเปรอะได้เป็นธรรมดาแต่ถ้าชําระล้างให้สะอาดก็เป็นของควรใช้ได้ดีต่อไปคนที่เคยเป็นนักโทษอาจกลายเป็นคนทําประโยชน์แก่มหาชนอย่างไพศาลอาจมีเกียรติยศเฟื่องฟูขึ้นอีกอย่างไรก็ได้ถ้าผู้นั้น ไม่ด่วนดูหมิ่นตนเองแล้วกดตนเองให้ตกต่ำลงยิ่งขึ้นด้วยความประพฤติชั่วของตนครานแล้วเหมือนน้ำที่มาชโลมจิตของผู้จองจำทั้งหลายให้สดชื่นต่างพอใจในการที่มีคำชี้แจง และเมตตากรุณาผ่อนปรนด้วยประการต่างๆเหลา่านี้คนที่เคยโหดร้ายเอาแต่ใจก็ได้คิดและสงบลงได้มากเป็นการช่วยเปลี่ยนความชิดโดยไม่ต้องใช้หวายมีต้องใช้ขือคาในไม่ช้าก็มีเพลงเพลงหนึ่งไม่ทราบว่าใครแต่งขึ้นได้แพร่หลายไปรวดเร็วในกลุ่มผู้ต้องโทษทั้งหลายอันมีใจความว่าคนในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่ไร้ประโยชน์ข้อสาคัญ อยู่ที่การรู้จักใช้เท่านั้นคนอื่นที่ฉลาดอาจใช้ประโยชน์จากคนทุกประเภทได้ดีแต่ที่นับว่าเลิศยิ่งก็คือตอนเองยังอาจพิจารณาใช้ประโยชน์จากตัวเองได้ดีด้วยใครเล่าจะเป็นผู้ควรสงสารสังเวทมากเท่ากับคนที่มองข้ามตัวเองไปแล้วและดูหมินเหยยดยามตนเองว่าเป็นคนใช้อะไรไม่ได้เลยด้วยนึกว่าเสียหายหมดแล้วสหายเอ๋ย สัตว์ตกลงไปในน้ำในบ่อยังพยายามตะเกียกตะกายหาทางขึ้นสูเป็นมนุษย์ได้รับการยกย่องว่าสูงกว่าสัตว์ฉะนไหนจึงจะยอมงอเมืองอเท้าไม่ช่วยตนเองให้พ้นจากบ่อคือความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายในเวลาปฐมยามแห่งราตรีเสียงพินแผ่วๆกับคำร้องอย่างชัดเจนนี้ก้องไปทั่วบริเวณเรือนจาและที่ใกล้เคียงใครจะทราบบ้างว่า ในหมู่คนผู้นอนฟังเสียงเพลงและเสียงผินนั้นไม่มีใครเลยที่จะคิดตามเพลงนั้นและพยายามพิจารณาเทียบเคียงเข้ามาหาตนบ้างใครจะทราบบ้างว่าอาจมีบางคนนอนน้ำตาหนองหน้าเมื่อคิดไปตามข้อความในเพลงนั้นและบางคนอาจมีกำลังใจกระปี้กระเป๋าขึ้นมาอย่างประหลาดรุ่งเช้าแล้วดวงอาทิตย์ค่อยโคจรส่องแสงสว่างไปทั่วบริเวณโลกเหมือนเสนอจะบอกใจทุกคนว่า เมื่อมือดแล้วก็มีสว่างบ้างเป็นธรรมดาชีวิตของทุกคนก็คงจะไม่มืดตลอดไปถ้าคนทั้งหลายไม่พยายามนำชีวิตนั้นไปซุกซ่อนอยู่ในที่กำบังอันมิดชิดจนไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันอันเทียบได้กับการกดชีวิตให้ตกต่ำลงด้วยการประกอบด้วยความชั่วโดยส่วนเดียวเมื่อชีวิตนี้ยังมีหวังเมื่อแสงแดดส่องปัต ภ, ภีประเทศแล้วชนไหคนผู้มีใจหดหู่ทั้งหลาย ไม่ยอมลุกขึ้นสลัดมือสลัดเท้าเพื่อต้อนรับวันใหม่ด้วยความสดชื่นโยนความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจความดูหมิ่นตนเองที่เคยมีนั้นทิ้งไปเสียบ้างนี้คือความรู้สึกใหม่ความเปลี่ยนแปลงใหม่ของอยุทยามหานครซึ่งเปลี่ยนแปลงไปโดยการกระทำของคนกลุ่มๆที่ไม่ประกาศตนว่าใครใช้ให้ทำซ้ำยังประกาศต่อไปว่า การที่คนทั้งหลายสามารถช่วยตัวเองได้ไม่งอมืองออเท้าก็เป็นการดีแล้วใครจะเป็นต้นคิดให้ทำนั้นไม่แปลกขอให้เขาทั้งหลายคิดถูกทำถูกต่อไปเถิดอยุธยามหานครก็จะเป็นสถานแห่งความผาสุขกสมบูรณ์เองกระแสลำธารสายหนึ่งหลเชี่ยวเพราะน้ำอันบ่ามาแต่ยอดเขาซึ่งเป็นแอ่งน้ำห่างตัวเมืองออกไปเคยไหลลงสู่ลำน้ำสระยู่มาแต่การก่อน บัดนี้กลุ่มคนหนึ่งอีกกลุ่มใหญ่ๆกำลังใช้หินใช้ดินถมพร้อมทั้งขุดร่องทำลำรางย้ายกระแสน้ำนั้นให้ไหลบ่าเข้าสู่อโยธยามหานครเป็นหกทางน้ำในลำทานซึ่งไม่เคยทำประโยชน์ให้ชาวเมืองก็ไหลผ่านเมืองให้เกิดความสุดชื่นเจรต้นไม้คนและสัตว์ชาวอโยธยาก็าพากันประหลาดใจนักว่าน้าทาไมจึงไหลเข้ามาในเมืองได้ โดยเพียงขุดร่องบ่อทำรองรังเท่านั้นแต่บางคนไม่ได้ทราบ ว, ว่าเขาทมดินให้ต้นน้ําไหลบ่ามาได้ในทังที่ต้องการก็เกิดความชื่นชมในความเปลี่ยนแปลงของอโยธยามหานครอย่างปาฏิหารแต่ก็ไม่ใช่ปาฏิหารอะไรคนเรานี่เองทําให้เกิดขึ้นได้โดยไม่นั่งนอนคอยรอแต่ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเองตามธรรมชาติ จากลำธารหกสายนี้เมืองน้อยๆซึ่งประชาชนขุดต่อเข้าไปสู่บ้านของตนก็เกิดขึ้นเป็นอันมากเรื่องสวนไร่นาเกิดขึ้นทั่วไปในที่ทั้งหลายเพราะเมื่อน้ำไปถึงความสมบูรณ์สดชื่นก็ตามไปด้วยโดยปกติปัญหาเรื่องน้ำมีความสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตมนุษย์จึงมีการขุดบ่ออันลึกและต้องใช้ภาชนะผูกเชือกหย่อนลงไปตักขึ้นมากว่าจะได้น้าแต่ละครั้งก็ลาบากยากเขิน แต่เมื่อมีผู้คิดให้น้ำไหลเอ่อไปได้บนแผ่นดินตื้นๆจึงกลายเป็นเรื่องประหลาดของผู้ไม่เคยคิดจะทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนอกจากนั้นยังได้มีการพิจารณาจัดให้เชือกเขาซึ่งเป็นที่ขังน้ำแหล่งใหญ่นั้นไม่เสียน้ำไปในทางอื่นโดยไม่จำเป็นโดยการปิดกั้นกระแสน้ำที่ไหลบ่าไปช่องทางอื่นให้ไหลไปแต่ในทางที่ต้องการเพื่อให้น้ำไหลไปใช้ในมหานครตลอดปีในอดีตการ พอถึงฤดูน้ำหลากมหาชนก็ต้องจับเจ้าอยู่แต่ในบ้านขาดการติดต่อกับที่อื่นจนกว่าน้ำจะลดแต่ลักษณะที่น้ำหลากในแถบกลางหรือเหนือขึ้นไปนั้นก็เนื่องมาจากฝนตกมากน้ำฝนขังอยู่ในซอกเขาและเทือกเขามีปริมาณมากบางครั้งก็เซอกช่องล่องหินพังลงมาแล้วก็ไหลเชี่ยวพาสิ่งต่างๆที่ขีดขวางลอยไปตามกระแสแม้แต่สัตว์ป่าเช่นช้าง และสัตว์พาณเช่นโคกระบือบางครั้งก็ยังถูกน้ำพัดลอยไปถึงแก่ความตายในที่นั้ น, น, นข้าวกล้าในนาที่กำลังงดงามเมื่อน้ำบ่ามาแรงก็ถึงกับถอนรากลอยไปกับกระแสน้ำมหาชนพากันเชื่อว่าเป็นเรื่องของเทพเจ้าหรือพูดผีปีศาจพิโรธโกรธเครืองมนุษย์จึงใช้วิธีแก้ไขด้วยการอ้อนวอนบวงสวงและปล่อยให้เหตุการณ์ทั้งหลายเป็นไปซ้าๆอย่างนั้นตลอดมา ครานมาถึงสมัยพระเจ้าสุรเสนะโดยการแนะนําชี้แจงของทนิยะพระชิบิดาก็ได้มีการประชุมช่างและผู้ชํานาญในศิลปศาสตร์เพื่อให้พิจารณาว่าน้ําที่หลากมานั้นจากเทือเขาลูกใดและยังมีน้ําที่หลากมาแต่ทางเหนือที่ไกลออกไปจะไม่รู้ว่าจากเมืองใดด้วยหรือไม่พื้นที่ตรงไหนบ้างเป็นที่ลุ่มน้ําเคยท่วมถึงแค่ไหนเมื่อตรวจพิจารณาภูมิสถานโดยทั่วไปแล้วก็ได้มีการถม ที่บริเวณที่อยู่อาศัยถนนหนทางที่มหาชนสัญจรไปมาให้สูงเพื่อพ้นระดับน้ำและมีการตรวจบริเวณเชือกเขาที่ขังน้ำว่าโดยวิธีปฏิบัติอย่างไรน้ำจะเพียงแต่ล้นเมื่อเต็มขอบที่ขังไว้แต่จะไม่ให้หินพังเป็นชางให้น้ำปริมาณมากไหลเชี่ยวกรากลงมาทำลายบ้านเรือนไรนาของมหาชนได้เขื่อนหรือทนบจึงเกิดขึ้นโดยการ น, นาไม้สูงใหญ่ มาปากลึกลงไปในดินเป็นระยะแล้วนํำหินมาผสมกับดินเหนียวบ้างผสมหร ด, ดานมโนศิลาและน้ําอ้อยบ้างใส่ไว้ในช่องที่ปากไว้ให้มั่นคงนั้นในช่องทางที่เห็นว่าน้ําจะไหลลงมาได้ส่วนในด้านสูงขึ้นไปซึ่งต้องการให้เป็นขอบสูงเพื่อขังน้ําไว้ให้มากก็ได้มีการพยายามนํำหินมาเสริมเป็นคันยาด้วยหอร ด, ดานมโนศิลากับอื่นๆซึ่งรวมกันแล้วแข็งตัว เหมือนหินมาวางกัน้นเสริมขอบที่ขังน้ำให้แข็งแรงเป็นการกําหนดให้ขังน้ำอยู่ได้มากขึ้นหรือกําหนดทิศที่จะให้น้ำไหลไปโดยไม่ต้องคอยบวงสรวงอ้อนวอนเทวาเหมือนการก่อนครันแล้วก็มีประกาศของมหาอัมมัดผู้รับประชุมการให้แจ้งแจะผู้มีความรู้ความสามารถทุกสาขาให้ขึ้นไปขึ้นทะเบียนไว้ผู้ใดก็ตามเป็นผู้สามารถที่สุดในทางใดทางหนึ่ง ูนั้นจะไม่ต้องเป็นห่วงในอาชีพจะมีเงินของพระราชาพระราชทานเป็นการประจำจนตลอดชีวิตแต่ความรู้ความสามารถนั้น น, นจะต้องดีถึงขนาดจริงๆนอกจากนั้นได้มีการประกาศแจ้ไขระเบียบการแข่งขันสตราวุธซึ่งแต่เดิมใช้ไม้หวายแต่มีเหล็กถ่วงให้หนักที่สันบ้างสอดในภายในบ้างเพื่อให้มีน้าหนักคล้ายของจริงเป็นให้ใช้ของจริงทั้งหมด แต่เพื่อความปลอดภัยให้คู่ต่อสู้สมเกราะได้ข่าวนี้ทำให้เกิดความหวังอย่างยิ่งสำหรับผู้ใคร่การศึกษาและผู้มีความเพียรบางคนสคืบสกุลมาจากผู้ฝึกมา้าฝึกช้างก็พยายามกันอย่างยิ่งยวดที่จะฝึกม้าหรือช้างให้ดีที่สุดสมเป็นราชคราชาทานหรือสาหรับใช้ในการศึกสงครามบางคนเป็นช่างแกะสลักบางคนเป็นช่างกลึงหรือช่างปั้นก็พยายามประดิษฐ์คิดคน้น ในการที่จะแจสลักหรือกึองปั้นอย่างดีเลิศแม้จะกินเวลานานแต่ถ้ารับการตัดสินว่าเป็นเลิศแล้วก็เป็นอันสบายไปตลอดชีวิตบางคนก็เป็นช่างไม้ช่างก่อสร้างหรือบางคนเป็นนักร้องนักปนนักดนตรีก็ฝากไฟในวิชาวความรู้ของตนเป็นทวีคูณสกุลช่างรุ่งเรืองขึ้นอีกวาระหนึ่งสถานศึกษาหนึ่งแน่นด้วยผู้ที่ฝากไฟในศิลปะวิทยา เพื่อดำรงชีวิตใหม่ในอโยธยามหานครข้อที่ธนิยะราชบิดาได้ตรัสกับพระเจ้าสุรเสนะมีอยู่ตอนหนึ่งว่าดูก่อนสุรเสนะพ่อพอใจในความเจริญก้าวหน้าของอโยธยามหานครแต่เท่าที่ไปสังเกตเสมอมา พ่อยังไม่พอใจในฝีมือสตราวุตรของผู้แข่งขันเท่าไรนักที่พ่อแนะนำให้เจ้าวางรางวัลพิเศษจากครูดาบก็เพราะพอใจในคุณธรรมและมารยาทแต่ฝีมือดาบสำนักนี้หรือแม้ของภัยระวะเองที่ชนะการแข่งขันนั้นเป็นฝีมือดีอย่างธรรมดาสามัญอย่างนั้นดูก่อนสุรเสนะบุคคลเหล่านั้นหัดแต่วิชาดาบแต่ไม่ได้เตรียมตัวอย่างอื่นเลยมีดาบ ก็ใช้ดาบรำเข้ารบพุ่งแสดงฝีมือกันเท่านั้นเท่าที่สังเกตและสืบสวนดูไม่ปรากฏว่ามีใครสนใจถึงว่าทำอย่างไรจึงจะฟันได้นานโดยไม่เสียกำลังหรือเหนื่อยเร็วทำอย่างไรจะฟันได้หนักถึงขนาดให้คู่ต่อสู้ดาบหลุดจากมือเมื่อรับไม่ดีดูก่อนสุรเสนะเจ้าจำได้ดีแล้วไม่ใช่หรือว่าพ่อฝึกตัวเจ้าอย่างไรพ่อสอนให้รู้จักอาหาร อาจเป็นประโยชน์แย่างร่างกายให้รู้จักฝึกมือเท้ารู้จักกระโดดหรือวิ่งไปข้างหน้าหรือถอยหลังเพราะหันใด้เจ้าจกของหนักๆเพิ่มขึ้นโดยลำดับจนมือเจ้าจับสตราวุธแล้วกลายเป็นของเบาไปและเมื่อมีกำลังดีแล้วเพียงฝันค่อยๆศัตรูก็จะรู้สึกว่าฝันหนักแต่ถ้าฝันหนักคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนก็จะไม่สามารถรับไว้ได้ ดูก่อนสุรเสนะการศึกษาการฝึกขันให้ถูกทางนั้นเป็นการได้เปรียบผู้ที่ใช้แต่เรี่ยวแรงโดยไม่ใช้ความชิดหรือบางคนก็คอยแต่จะเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้มีชัยชนะในการแข่งขันเพราะว่าความสุขความสําเร็จความรู้และความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่ปลูกได้โดยไม่ต้องรอคอยเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่พ่อส่งเสริมให้เจ้าปกครองอโยธยามหานคร ทั้งการที่เจ้าสามารถทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงนั้นจึงน่าจะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหารตามความเข้าใจของบางคนแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหารนั้นเป็นสิ่งที่ปลูกได้ทาให้มีได้สุดแต่ใครจะทำและทำให้ถูกทาง